ซึ่งพลากไปจากไปทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักซึ่งพลัดพรากไปจากไปเป็นอันตรายไปนี่เป็นภายนอกแต่หากว่าจิตใจนี้ไม่มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินนั้นทุกข์ก็ย่อมจะไม่เกิด แต่เพราะจิตใจนี่มีความอยากคือตัวตันหามีความยึดคือตัวอุปาทานอยู่จึงได้มันเกิดความทุกเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดจับเงื่อนตนหรือเบื้องตนที่สุดเบื้องตนก็คือตันหาอุปาทานในจิตใจของ ตนเองนี้เองเป็นเงื่อนตน้นหรือเป็นที่สุดเบื้องต้นของทุก์ซึ่งกำลังได้รับอยู่พราะฉะนั้นการหัดที่จะจับสัจจะคือความจริงตามหลักสัจจะของพระพุทธเจา้า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 เราต้องจับให้ถูกว่าทุกซึ่งกำลังเสวย อ, อยู่กำลังรับอยู่นี้เป็นเงื่อนปลายเงื่อนตอนคือตัณหาอุ ป, ปาทานในจิตใจของตอนเองบุคคลก็ตามวัตถุ ก, ก็ตามเรื่องเป็นภายนอกนั้นเป็นตัวอารมณ์ที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพระฉะนั้น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 บุคคลที่ต้องประสบความพัดพรากดังกล่าวนั้นเบื้องต้นมักจะทุกมากต้องโศกมากต้องร้องไห้คร่ำครวญรำพันมากเพราะว่าตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดยังมากอยู่ คั้นต่อไปต่อไปนานๆเข้าตันหาปาทานคือความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินที่พัดพรากไป น, น, นั้นๆน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเหตุว่าจืดจางลืมเลือนไปเองก็ตาม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 กับสิ่งซึ่งเป็นที่รักย่อมจะมีความยินดีเบิกบานใจเป็นสุขและมีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักนั้นดังเช่นเมื่อ ได้บุคคลซึ่งเป็นที่รักมาหรือว่าได้บุตรทดาได้ทรัพย์สมบัติต่างๆที่ต้องการมาก็ยินดีเป็นสุขและก็มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในวัตถุนั้นๆดังนี้เรียกว่า เป็นเงื่อนตน้นคือเป็นตัณหาเป็นอุปาทานย่อมจะมีความติดใจยินดีเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ว่าตัณหานั้นไปกับความติดใจยินดีความเพลิดเพลิน ทำให้มีความยินดีเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นนั้นในสิ่ง น, นั้นๆนี่นับมาเป็นเงื่อนตน้นซึ่งมักจะไม่นึกถึงเงื่อนปลายคือตัวทก เพราะในขณะที่ยังเป็นสมบัติคือเป็นความร่งพร้อมอยู่นั้นมีความสุขมีความเพลิดเพลินยังไม่มีวิบัติแต่ว่า ทุกๆอย่างนั้นเมื่อเป็นสมบัติแล้วก็ต้องมีวิบัติเมื่อมีประจวบก็ต้องมีพลัดพรากเพราะฉะนั้นในเงื่อนปลายอันหมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพลัดพรากโดยที่ต้องพลัดพรากไปในระหว่างชีวิต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 ตัวขัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายไว้ดังนี้เพราะฉะนั้นทุกคนนั่นใ น, ในปัจจุบันนี้ย่อมประสบอยู่ทั้ ง, บา ง, างาบางคราวก็เป็นเงื่อนปลายบางคราวก็เป็นเบื้องตน้นก็เป็นเงื่อนตน้น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 ผูปฏิบัติธรรมจึงสมควรที่จะหัดจับเงื่อนให้ถูกเมื่อกำลังอยู่กับเงื่อนปลายคือทุกโศกต่างๆก็ต้องจับเงื่อนตนว่านี่เกิดจากปัญหาอุปาทานในจิตใจในขณะที่กำลังอยู่กับเงื่อนตนคือกำลังอยู่กับตัญหาอุปาทานมีความ ติดใจยินดีมีความเพลิดเพลินมีความสุขก็ต้องให้รู้ว่าจะต้องพบเงินปลายในภายหลังคือทุกในเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานนี้อยู่ดังนี้เป็นการหัดจับเงินต้นเงินปลายในสายทุก และอีกทางหนึ่งก็หัดจับเงินต้นเงินปลายในสายนิโรธคือความดับทุกข์กล่าวคือในขณะที่ได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ป, ฏ, ป, ฏ, ป, ฏ, ปฏิบัติอยู่ในศีลปฏิบัติอยู่ในสมาธิ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 ในขณะที่ปฏิบัตินั้นอยารู้สึกว่าไม่เป็นสุขเช่นผู้ที่ปฏิบัติในศีลจะต้องงดเว้นจากขอนั้นขอนี้ในบางคราวกิเลสตัณหาในใจของตน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 คือศีลในใจของพระพุทธเจ้ากับกิเลสตัณหาในใจของบุคคลผู้ที่รักษาศีลแต่หากว่าศีลมีกำลังกว่าศีลก็ชนะก็แปล ว, ว่างดเว้นได้ไม่ทำแต่หากว่าทักกิเลสมีกำลังกว่าตัณหาอุปาทานมีกำลังกว่าตัณหาก็บงการให้บุคคลทำศีลก็ขาดไปแปล ว, ว่าทิ้งศีล ปฏิบัติไปตามอำนาจของตันหาอุปาทานเพราะฉะนั้นความไม่เป็นสุขยังมันเกิดขึ้นอย่างที่ต้องทิ้งศีลเพราะเป็นทุกข์เพราะศีลก็ทิ้งศีลแต่ว่า มาพิจารณาให้รู้จักว่าศีนนี่แหละเป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์ให้มีความรู้มีความเข้าใจจริงๆแต่ว่าตันหาอุปาทานนั่นแหละเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์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 ก็แปลว่ารู้จักเงื่อนต้นในสายดับทุกข์แม้ว่าในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะว่าใจที่อยากจะทำที่จะละเมิดศีลอันเป็นตันหาอุปาทานนั้นบางคราวก็แรงแต่ว่าเมื่อความรู้จัก อันเป็นตัวปัญญาพร้อมทั้งสติกํากับอยู่ได้ก็จะทำให้เอาชนะได้สามารถรักษาศีลไว้ได้แต่อันที่จริงนั้นผลของศีลยังมีตั้งแต่เมื่อปฏิบัติในศีลแต่ว่าตัวทุกข์เพราะเหตุว่าต้องสู้กับกิเลสนั้น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 ทำการเยียวยาแก้ไขโรคบำบัดโรคให้หายไปซึ่งในเบื้องต้นนั้นคนป่วยเองก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือตัวทุกข์กต้องกินยาขมหรือว่าที่ต้องผ่าตัดต้องฉีดยาก็เอาเข็มแทงเนืองว่าเจ็บที่รู้อยู่ในปัจจุบันคือว่าเจ็บ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 เพราะฉะนั้นยิ่งต้องหัดทำความรู้ดังนี้เมื่อผลของศีลนั้นมีตั้งแต่ตนแต่ว่าตัวทุกข์นั้นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาต่งหักซึ่งยังครอบงาใจอยู่มากเมื่อกิเลสตัณหาพ่ายแพ้ลงไปสงบลงไปความริ้นรนต่างๆก็จะหายไปกลายเป็นความสงบความสุขขึ้นโดยลำดับ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 ก็เพราะเหตุว่านิวร น, นี่เองเป็นต้นว่ากามาชั้นบังพยาบาทบ้างความงุ่ง ม, มุ่นเคลือบเคลิมบ้างความกุ้งซ่าน ร, รำคาญใจบ้างความเครือบแคลงสงสัยต่างๆบ้างอันเป็นตัวกิเลสดึงใจออกไปสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกามาชั้นพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้นเพราะว่าจิตใจอันนี้อยู่กับกิเลสเหล่านี้มานาน เปรียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําจิตก็อยู่ในอารมณ์และกิเลสมานานปัจจณการที่จะดึงใจขึ้นมาจากอารมณ์และกิเลสมาสู่อารมณ์กรรมฐานในเบื้องตอน้นจิตใจจึงไม่เป็นสุขเมื่อจิตใจไม่เป็นสุขร่างกายก็ไม่เป็นสุขก็ทําให้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 ยังมีความเพลิดเพลินอยู่เมื่อมาทำสมาธิก็ไม่ได้สุขสากสมาธิในเบื้องตน้นเราะฉะนั้นจึงต้องทำความรู้ว่าสมาธินี่แหละเป็นเงื่อนตน้นเป็นที่สุดเบื้องต้นของความหลับทุกข์ต้องพยายามทำไปไบ่อยๆจนจิตใจเอาชนะนิวรณ์ได้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 ทาวิปัสสนาปัญญาพิจารณานามรูปว่าเป็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขาเป็นตัวอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเรามักจะฝืนกับความที่มีความอยากยึดอยู่ในนามรูปว่าเป็นตัวเราของเราครั้งมาพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจึงฝืนกันขัดกันในเบื้องตน้นใจจึงไม่ลง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 เราฉะนั้นการหัดจับเงื่อนตนเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื <bt> บงเง้องตน้นที่สุดเบื้องปลายแยกกันทีละอย่างและการหัดจับทั้งเงื่อนตน้นทั้งเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื oshima, ้องต้นทั้งสุดเบื้องปลายที่ขนานกันไปให้เห็นต่อกันไปเชื่อมกันไปประกอบกันไป ดังนี้ในอดีต ท, ทั้งสี่ของพระพุทธเจา้าหัดจับเข้าทั้งในสายทุกข์ทั้งในสายดับทุกข์ดังนี้แล้วเป็นการหัดให้ได้ยานคือความอย่างรู้นันเป็นฝ่ายวิชาแต่ว่าฝ่ายอาวิชชานั้นก็คือไม่อย่างรู้ในเงื่อนต้นหรือ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 ต่างอาศัยกันในการเป็นไปในเรื่องทั้งหลายก็รวมเข้าในหลักอริยสัจสีนี่แหละต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจจากตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ อบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจงอนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระาพาทรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ ร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีรทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงประเทราธิบาย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 รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเอาวิชาและได้มีประเทรอธิบายในข้อวิชาว่าใดแก่ไม่ยังรู้ในทุกขไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุกไม่ยังรู้ในความดับทุก ไม่อย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แสดงอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้อีกสี่ข้อสองนัยยะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในพระสูตรอื่น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 แต่อวิชชาแปดนี้ก็มีข้ออริยสัจทั้งสี่เป็นหลักและอีกสี่ข้อนั้นในยะหนึ่งก็ยกเอาอดีตอนาคตขึ้นแสดง